ปฏิบัติธรรมที่บ้านไม่ต้องรอปลีกวิเวกและหากมีเวลาปลีกวิเวกก็จะไปเพื่อต่อยอดให้ถึงที่สุดไม่ใช่ไปเพื่อนับหนึ่งใหม่แล้วแล้วเล่าเล่าอีกการปฏิบัติธรรมชั่วคราวช่วยให้ชีวิตแตกต่างไปครู่หนึ่งแต่การเจริญสติอยู่เรื่อยๆจะช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดไปการปฏิบัติธรรมที่บ้าน คือการทำสติให้เจริญขึ้นที่บ้านไม่ใช่รอไปวัดแล้วค่อยพยายามเจริญสติหรือพอกลับบ้านแล้วขาดสติก็ช่างมันหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่บ้านคือการเข้าใจว่าจะดูอนิจจังใดในตนได้บ่อยๆเรามาดูความมิเที่ยงในตัวเองได้บ่อยๆสติแบบพุทธก็ค่อยๆเจริญ และความทุกข์ความอึดอัดแบบที่คุณมีก็จะค่อยๆเสื่อมสลายหายไปในสามวันเจ็ดวันความมีเที่ยงที่ดูได้บ่อยของคนยุคเราได้แก่ความฟุ้งซ่านและโทสะคนยุคเราฟุ้งซ่านจนทรมานใจและหหุดโกรธเรี้ยวบ่อยเหมือนถูกไฟคลอกเพื่อจะดูความฟุ้งซ่านและโทสะได้จริงต้องมีเครื่องทุนแรงเป็นทุนได้แก่ การรู้จักสังเกตลมหายใจแห่งความสุขสังเกตว่าเมื่อเริ่มหายใจด้วยการค่อยๆขยายหน้าท้องสายลมหายใจจะยาวความรู้สึกจะสบายเมื่อคุ้นกับลมหายใจแห่งความสุขได้บ่อยๆอย่างน้อยสักชั่วโมองหละครั้งสองครั้งพอถึงเวลาต้องใช้เช่นคิดฟุ้งซ่านทรมานใจก็หายใจยังเป็นสุขขึ้นมาทีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบดูว่า ที่ลมหายใจนี้ฟุ้งหนักแค่ไหนลมหายใจต่อไปเบาลงหรือหนักขึ้นไปอีกเพียงเท่านี้ความฟุ้งซ่านทรมานใจก็รบกวนคุณได้ไม่นานแต่จะกลายเป็นการมากระตุ้นให้เกิดสติปัญญาจริงๆเห็นของจริงว่าความฟุ้งซ่านทรมานใจเข้ามาเพื่อแสดงความไม่เที่ยงเพื่อให้คุณฝึกดูอนิจจังให้เป็นหรือเมื่อกรจัด แทนที่จะฟ้าสายฟ้าออกมาจากปากจากมือไม้ก่อบาปก่อเวรมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านแบบเคยเคยแค่หาใจยังเป็นศุกทีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบดูว่าที่ลมหายใจนี้โกรธแรงแค่ไหนลมหายใจต่อไปเบาลงหรือแรงขึ้นอีกเพียงเท่านี้โทสะก็บันดานบาเบียนเดิมเดิมขึ้นไม่ได้จะจะกลายเป็นมาเพื่อช่วยแสดงความไม่เที่ยงเพื่อให้คุณฝึกดูอนิจจังให้เป็น ไม่เห็นว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่บ้านคืออะไรคุณจะเห็นผลตั้งแต่วันแรกๆและติดใจพอที่จะเจริญสติในวันต่อๆไปโดยไม่รอเวลาว่างให้พร้อมพอจะปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมนอกบ้านที่ไหนอีกและถ้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือในปาาในรรำก็จะเป็นการไปเพื่อต่อยอดให้เจริญถึงที่สุดไม่ใช่ปไปนับหนึ่งหม่กันแล้วเล่า ๆ, ๆทุกครั้ง